ก็กจเจริญพรเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงนะพูดถึงเรื่องการฝึกรู้สึกตัวเนี่ยที่บอกว่าเออเราฝึกเนาะฝึกรู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อมาก็เห็นจิตคิดเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในจิตในใจหลวงพ่อก็แนะนำว่าเออกายนะลักษณะของกายคือมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นอย่างนั้นแหละเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ แต่เรื่องของจิตก็คือมันมีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็ให้พิจารณาคือแยกให้ออกว่าอ๋อกายกับจิตเนี่ยมันมีลักษณ ะ, ะไม่เหมือนกันมันเป็นคนละอย่างกันมันสำคัญมากถ้าถ้าหากว่าเราเราแยกไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นจิตแต่ถ้าแยกเป็นมันก็จะทาให้เข้าใจได้เลยว่าเออในตัวเราเนี่ยเนาะ มันก็เป็นประเภทนะเป็นประเภทกายเป็นประเภทจิตการแยกโลนี้เพื่อจะได้ถอดถอนนะถอดถอนความเห็นผิดหรือว่าแยกไปก็เพื่อที่จะจะปล่อยวางนะว่ากายเนี่ยมันจริงๆอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เนาะมันไม่ใช่เราความคิดหรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตะนะสุขบ้างทุกบ้าง วิตกกังวลบ้างเบื่อบ้างโลภ บ, บ้างโกรธบ้างอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งถูกรู้เออแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ได้เป็นตัวตนนั้นที่เราฝึกธรรมะเนี่ยทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยฝึกเพื่ออะไรเพื่อรู้จักแล้วก็วางนะวางความยึดถือว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรา ต้องเห็นภาพแบบนี้เลยอือสิ่งที่ปรากฏอยู่มันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับนะมันมันไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ยึดถือไม่ได้ทีนี้ถ้ามันเกิดการรู้เนี่ยเกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยมันก็เพิกถอนเนี่ยหมายถึงว่าการปล่อยวางเนี่ยมันก็จะจะง่ายขึ้นแต่ปัญหาของของผู้ปฏิบัติเนี่ยคือ ยังไม่รู้ยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ถูกไม่รู้จะปล่อยวางยังไงแต่ถ้าเห็นมันก็ชัดเจนว่าอืมเห็นแล้วรู้แล้วมันก็แค่รู้แค่เห็นเนาะไม่ไม่เอามายึดถือเป็นตัวเป็นตนก็ที่หลวงพ่อพยายามให้พวกเราได้ทดลองเนาะในะวิธีก็เพื่อให้เห็นให้เห็นนั่นแหละ อย่างที่ผ่านมาก็คือให้เห็นทั้งตัวนะไม่ว่าจะไปยืนอยู่ไปยืนดูม่านไม่ว่าจะยืนดูรูปถ่ายที่ติดอยู่ที่ผนังไม่ว่าจะดูเก้าอี้นะสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะให้กลับมาเห็นตัวเองที่เป็นผู้ดูพอพบตัวเองทั้งตัวอันนี้เขาเรียกว่าพบในภาพรวมพบตัวเองทั้งตัวเห็นตัวเองทั้งตัว นี่แหละก็จะ ว, วางไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่พบที่เห็นนี่แหละอืเพราะว่ามันเป็นของตายเนาะมันเป็นของเสื่อมเป็นของที่เน่าเ ป, ปื่อยปุบพังมันยึดถือไม่ได้แต่ถ้าไ ม, ไม่ไม่ได้ฝึกเพื่อการปล่อยวางเนี่ยก็มันก็ไม่พ้นทุกข์ที่แท้จริงนะก็ยังมีตัวมีตนยังมีตัวยังมีเราอยู่อเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อการปล like ่อยวางปล่อยวางปล่อยวางให้หมดเลยไม่เหลืออะไรทั้งอย่างเลยอไม่ว่าร่างกายไม่ว่าความคิดไม่ว่าความรู้สึกแต่พอรวมแล้วเนี่ยเรียกว่าทั้งตัวปล่อยวางหมดเพราะฉะนั้นเมื่อปล่อยวางเมื่อเมื่อปล่อยวางให้หมดก็ต้องเห็นเห็นทั้งตัวเห็นตัวเห็นทั้งตัวเห็นตัวเราก็เหมือนเห็นตัวคนอื่นใช่ไหมตัวคนอื่นเราเห็นคนอื่นง่ายเห็นเห็นทั้งตัวง่ายๆเลย แต่ให้เห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยบางคนก็โอเคเริ่มเป็นแล้วแล้วก็อาจจะมีความชำนาญด้วยซ้าแต่ผู้ที่ยังไม่เห็นตัวตัวเองเนี่ยมันยังมีอยู่นะมันยังยากอยู่เพราะนั้นผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็ต้องไปไปฝึกซ้อมไปฝึกซ้อ ม, อมแล้วก็ให้เห็นตัวเองให้ได้นะ จริงๆอ่ะมันว่าไปนะการเห็นตัวเองอ่ะมันมันมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าพอบอกให้ไปเห็นตัวเองเนี่ยมันก็สร้างมันก็สร้างตัวเราอีกตัวงเพื่อพยายามจะให้เห็นเนี่ยมันก็เลยเลยมองไม่เห็นเอแต่ครั้นที่จะอธิบายให้คนไม่เห็นได้เห็นเนี่ยยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่ไอคนฟังเนาะเขาก็พยายามสร้างตัวเราขึ้นมาอีกก็เลยบังหมดหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบ แบบที่รู้ตัวเองแต่แบบไม่ต้องสร้างอนนะนะมันมีน ะ, ะเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะพูดอย่างเช่นดูที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างว่าไปดูกระจกอะไปดูดูตัวเองในกระจกอาจจะดูแค่หน้าหรืออาจจะดูทั้งตัวเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละโยมลองนึกภาพดูดีว่าเวลาดูกระจกไอ้ตัวเองอะคือตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเงาในกระจกอ่ะ ไอ้ตัวเราเนี่ยนะไอ้ตัวที่เข้าไปยืนเนี่ยเป็นผู้เห็นเงาในกระจกเมื่อเห็นเงาในกระจกเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเห็นตัวเองที่อยู่หน้ากระจกบ้างแหละมันไม่มีใครหรอกที่ไม่เห็นตัวเองอยู่หน้ากระจกหลวงพ่อเชื่อนะว่ามันมันต้องเห็นตัวเองอยู่หน้ากระจกอยู่แล้วอะ่ะเออแต่ไม่ได้ฉเหลียวใจเลยว่าอ๋อแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นตัวเองไม่ได้ฉเหลียวใจหลวงพ่อก็เลยมาบอกเพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้า ท่านนึกขึ้นได้หรือเห็นได้ว่าตัวเราเนี่ยยืนหน้ากระจกเนี่ยเนี่ยถ้ากล่ว่าเห็นตัวเองทั้งตัวแล้วอาจจะเห็นทั้งหน้าอาจจะเห็นทั้งตัวแต่เห็นโดยภาพรวมๆเพราะมันไม่ได้เพ่งนี่เนาะไม่ได้มีเจตนาที่จะเห็นมันก็เลยเห็นตัวเราทั้งตัวอย่างอย่างตอนนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่นะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกหลวงพ่อก็พูดถึงว่า ตอนนี้หลวงพ่อเนี่ยกำลังบรรยายธรรมอยู่ใช่ไอุปมาเหมือนว่าตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็นเงาในกระจก เ, เห็นหลวงพ่อโยมก็มัน ก, มนก็มันก็รู้ได้นะว่าเออมีหลวงพ่อกำลังพูดอยู่แต่ว่าตาของโยมมันไม่ได้เห็นโดยตรงว่าหลวงพ่อนั่งที่ไหนแต่มันก็เห็นในมโนเขาเรียกว่าเห็นได้ว่าเออลวงพ่ออยู่ตรงไหนสักที่นึง แล้วมันก็เห็นตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยแหละอยู่ตรงตรงนั้นแหละตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละเห็นนะมันก็เห็นสองสิ่งขึ้นมาเห็นหลวงพ่อสิ่งหนึ่งแล้วก็เห็นตัวเองสิ่งแล้วก็ไอตัวที่เห็นน่ะไอผู้เห็นตัวเองนั่นแหละไอผู้นั้นไอตัวนั้นแ่ละสิ่หลวงพ่อต้องการเสื่อเห็นว่าไอตัวนั้นแหละคือตัวที่มันพ้นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์มมันพ้นไปจากตัวเองมันพ้นไปจากตัวเราใช่ไหมทีนี้ถ้าเข้าใจไอตัวพ้นทุกข์แล้วเนี่ย ต่อไปเนี่ยมันก็จะจะพัฒนาคือให้เห็นตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพ้นทุกข์บ่อยๆที่มันพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรมันทิ้งมันทิ้งตัวเราไงคือมันรู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยคือเป็นตัวทุกข์เป็นตัวตายเป็นตัวเกิดเป็นตัวแก่เป็นตัวตายเป็นตัวเจ็บเป็นตัวเศร้าโศกเสียใจได้ใช่ไหมอืมอันนั้นน่ะไอ้ตัวเห็นที่ไม่มีตัวเนี่ยมันก็ เห็นเราอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็มันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจเลยอ่ะว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือพ้นทุกข์อ่ะอทีนี้แหละเมื่อมันเข้าใจด้วยปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะเริญมมักคือหนทางที่พ้นทุกข์ก็คือหนทางแบบนี้คือรู้ตัวเองรู้ตัวเองตัวเองจะอยู่ที่ไหนล่ะก็รู้ไปแล้วก็มันก็เห็นเลยขณะที่รู้ไปมันก็รู้ว่าเอ อ, อสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันก็เป็นตัวทุกข์ เห็นอยู่มันทุกยังไงก็ไอตัวที่สิงสุขเห็นน่ะไอตัวเรานี่แหละมันเห็นไหมมันนั่งเลยมันบิดมันปวดมันเมื่อยมันมันจู้จี้ขี้บ่นมันสารพัดอ่ะในตัวเราอ่ะแต่ตัวที่เห็นตัวเรามันมันได้แต่รู้มันมันเงียบปลิบมันไม่พูดอะไรเลยมันได้แต่รู้เนี่ยหลวงพอพูดอย่างนี้น่าจะชัดเจนนะในการเห็นตัวเองอ่ะน่าจะชัดเจน เมื่อจับทางได้แล้วเนี่ย ก, ก็เพียรขยันนะซ้อมให้มันชำนาญเหมือนกับขับรถเป็นแล้วแหะเหมือนกับว่าขับรถเป็นละมั่นใจขึ้นแล้วว่าขับรถเป็นคือขับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปก็ขับทุกวันวันหนึ่งหลายครั้งเียความชำนาญในการขับมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นสักครั้งหนึ่งต่อไปก็เพิ่มให้มันชำนาญก็คือเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆ แต่ทีนี้อันนี้คือเป็นแค่หลวงพ่อแบบชี้เนาะชี้บอกทางในจุดเริ่มต้นต่อไปเมื่อเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องต้องต้องใช้วิธีอื่นด้วยเพื่อจะให้ชำนาญคือให้เห็นตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเนาะเพราะมันได้ทางแล้วนี่รู้จักอลไรนี่ว่าการรู้ตัวเองการเห็นตัวเองคือเห็นแบบนี้ก็ไม่ไม่อาจจะไม่จาเป็นต้องไปเทียบเปรียบเทียบกับ กับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวอีกนะเพราะว่ามันมันชำนานนะก็หมายถึงว่าจะอยู่ที่ไหนก็เห็นตัวเองได้จะนั่งจะนอนก็เห็นตัวเองได้ถ้าเห็นตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแล้วเพราะว่ามันรู้จักแล้วเนี่ยว่าการรู้ตัวเองแบบนี้มันไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยมันได้แต่เห็นได้แต่รู้แล้วก็จะมีความสงบคือไม่ไมุ่งสั้นในการที่จะ ทำความเข้าใจอะไรมากเพราะมันรู้จักว่าเนี่ยเห็นตัวเองรู้ตัวเองแบบนี้คือพ้นทุกข์แล้วมันก็เลยไม่ต้องไปคิดหาทางพ้นทุกข์อย่างอื่นอีกนันที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไอ้รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือรู้อย่างเนี้ยรู้สึกตัวก็รู้ทั้งตัวหรือว่ารู้กายก็ได้รู้ความคิดรู้จิตรู้ใจก็ได้เพราะมันอยู่ในตัวแต่การรู้เนี่ยมันก็เร็วอยู่แล้วแหละ บางทีมันก็รู้ทั้งตัวบางทีมันก็รู้เฉพาะส่วนแต่นิดๆหน่อยมันรู้เฉพาะส่วนก็คือวแวบบัดแบมแบเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งรู้นี่เราไม่ได้เพ่งนี่อย่างที่ตอนหลวงพ่อกําลังชี้บอกความ ห, หลวงพ่อคุยกําลังบรรยายธรรมอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ตัวโยมก็นั่งอยู่อีกที่หนึ่งเห็นไหมอย่างเนี้ยมันเห็นอาจจะเห็นทั้งตัวแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้ ชี้บอกแบบเนี้ยมันอาจจะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวก็ได้แต่มันเห็นด้วยมันเห็นด้วยตาเอ้ยมันเห็นด้วยใจหมดแหละมันไม่ได้มองด้วยตาเนาะพอเห็นด้วยใจนะมันก็ความชัดเจนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันก็แค่วับวับแบมแบมเบาเอ่ะวับวับแบมแคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่จําได้รู้ได้ว่าเออมีตัวเราอยู่ แต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นภาพมายาหมดแหละมันไม่ได้เป็นตัวเราที่แท้จริงเนาะอย่างอย่างโยมเนี่ยถือว่ากำลังนึกถึงหลวงพ่ออย่างเงี้ยเห็นไหมการเห็นหลวงพ่อมันไม่ได้เห็นแบบชัดเจนเหมือนเห็นด้วยตาแต่มันมันรู้อยู่นะว่ามีสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มีอยู่นเนี่ยมันเห็นเบาเบาบางๆแล้วก็เลิมเลอนก็หายไปแล้วก็เห็นใหม่แล้วก็หายไปตรงนี้ก็เห็นความเกิดดับ การเห็นตัวเองทั้งตัวก็เหมือนกันมันก็ดี๋ยวกจางแล้วก็แบบๆแล้วมันก็ดับอืมแล้วถ้ามองให้ดีอนะเนาะสิ่งพวกเนี้ยมันก็เกิดอยู่ในความว่างนั่นแหละเกิดสมมติว่าหลวงพ่อจะใช้คําว่าไอ้สิ่งที่ถูกเห็นนะมันมันเกิดอยู่ในอากาศเออเพราะว่ารอบตัวรอบตัวสิ่งถูกเห็นใช่ไหมพผลไปจากตัวสิ่งถูกเห็นมันก็เป็นความว่างอนะ่ะก็คืออากาศนะทีนี้ก็ทําให้การเห็นภาพชัดขึ้นคือเห็นทั้ง ความว่างเห็นทั้งที่เรียกว่าสิ่ง <c oughs> ถูกเห็นและสิ่งถูกเห็นมันก็วับวับวกลางอากาศแต่อากาศเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนกับว่ามันมันมองไม่ได้มันมองไม่เห็นด้วยด้วยด้วยจิตด้วยใจนะแต่ว่าเหมือนกับพอเป็นที่รู้จักว่าเออพ้นจากสิ่งถูกเห็นมันก็เป็นอากาศแต่จริงๆอากาศนี้เองเนี่ยที่เรียกว่าอากาศนะมันก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ดีเพราะว่ามันรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ แต่ทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏนะให้เข้าใจถึงสิ่งที่ไม่อาจถูกเห็นได้เนี่ยมันก็คือก็คือธาตุรู้นั่นแหละธาตุรู้คือธาตุที่ทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่เห็นนี่แหละอันนั้นแหละธาตุรู้ซึ่งเป็นความไม่ปรากฏเลยนะเป็นความไม่ปรากฏอันนั้นแหละเป็นธรรมแท้ส่วนสิ่งถูกเห็นเนี่ยเป็นธรรมปลอมคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะส่วน ส่วนธาตุารู้เนี่ยเป็นธรรมแท้ไม่ปรากฏการเกิดนั่นแหละก็เป็นธาตุที่พ้นทุกเป็นธาตุที่ไม่ทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติอาจพระอาจารย์นี่เรีอยู่ถ้าจะถามพระอาจารย์ก็คงจะต้องขออนุญาตขอโอกาสเรียนถามว่าเมื่อเราได้พบธาตุรู้นั้นแล้วเราก็ค่ะมันมันก็คือมันมันรู้การรู้นั้นเนี่ย มันจะเป็นการรู้จากความจำสัญญาหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นความจำสัญญาหรือว่าเป็นรู้จากใจเจ้าข้าความจำความจำเนี่ยมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะหลวงพ่อจะให้ให้เห็นความแตกต่างเนาะสมมติว่าเอาตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าการที่จะเข้าใจ ง, ง่ายๆเนี่ยคือต้องต้องเป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ย เอาตอนนี้เลยนะปัจจุบันก็มีมีตัวโยมเนาะอืมตัวโยมเนี่ยมีตัวเลยเห็นทั้งตัวเลยว่ามีตัวโยมนะถ้าเห็นถ้ารู้ว่ามีตัวโยมนะแล้วก็จะสังเกตเลยว่าตัวโยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกได้ขยับได้เนาะแล้วในตัวโยมเนี่ยโยมจะจําอะไรได้เช่นจําว่าวันนี้วันเสาร์ตัวโยมเนี่ยจะจําได้ว่าวันเนี้ยวันเสาร์ หรือว่าอาจจะตัวโยมอาจจะจําได้ว่าตอนนี้ยคุยกับหลวงพ่ออยู่นะก็จําได้ไอ้ความจําได้อันเนี้ยมันเป็นฝ่ายเกิดเป็นฝ่ายที่มีอยู่ในตัวเราเนาะแต่จิตเดิมแท้เนี่ยหรือธาตุรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่มันรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยจําได้เห็นไหมเราจําได้ตั้งหลายเรื่องเนี่ยจําได้วันนี้วันเสาร์จำได้ว่าคุยกับหลวงพ่อจําได้ว่า เออหรือใครเป็นใครอะไรอะไรเนี่ยจำได้เห็นไหม <c oughs> การจำได้เนี่ยมันเป็นเราใช่ไหมมันอยู่ในซิกที่เป็นเราแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรามันพ้นไปจากเราแต่มันรู้เราว่าเราจำไดอ้อธิบายแบบนี้พอชัดหะเข้าใจเจ้าค่ะสาธุ น, นะะฉะ <c oughs> น, นั้นการการเข้าใจเรื่องธาตุรู้เนี่ยต้องต้องใช้ปัจจุบันเลยโดยที่ว่าเออ เอาเอาเป็นปัจจุบันเลยคือถ้ารู้ตัวเราเมื่อไหร่ปับ๊บมันจะเข้าใจท่ารู้ได้ง่ายเพราะว่าเดิมเนี่ยมันรู้จักตัวเราอยู่แล้วว่าตัวเราคือคนคนนี้เนาะแล้วตัวเราเนี่ยคือพูดได้คิดได้เคลื่อนไหวได้เศร้าโศกเสียใจได้แต่ท่ารู้เนี่ยเขาไม่มีลักษณะอย่างที่เรามีนะเขาพ้นไปจากเราแต่เขารู้เราหมดเออเราเราเป็นยังไงมันรู้หมดเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลย แต่ก็เน้นว่าต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องธาตุรู้ได้ค่ะเข้าใจค่ะพระอาจารย์ะะาสาธุนะสาธุค่ะพระอาจารย์กราบในมรสการท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะตั้งนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อถามเนาว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อตอบคำถามของโยมโยมรัตนาพรเนาะ เออโยมเอกอยเข้าใจไหมหมายถึงให้ให้โยมให้โยมอธิบายเลยอเจ้าคะใช่เพราะว่าโยมรัตนาพรถ้าพูดถึงว่าเออจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นภาตรู้หรือว่าเป็นเป็นความจำมแต่ทีนี้รมต่อตามที่โยมเข้าใจแล้วกันเนาะเพราะบางทีโยมอาจจะอาจจะไม่ได้ติดตามตลอดอาจจะงงเรื่องภาษาเรืออะไร เจ้าค่ะโยมก็จะงงแต่ว่าอคือตอนนี้ยโยมโยมพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะสังขารเน่ย ก, ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเจ้าค่ะมีแต่มีแต่จิตเนาะที่ที่เราจะรู้ว่าเราจะจะจัดการอะไรยังไงกั บ, ก, บกับสังขารกับสิ่งที่ที่เจอเจ้าค่ะโยมอธิบายไม่อธิบายไม่ค่อยจะเป็นเนะ่ยเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนเข้าใจอ่นะเจ้าค่ะอ ก็เดี๋ยวหลว่ออธิบายเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยมันมี22ประเภทนะอันนี้แยกเป็นประเภทคือประเภทใหญ่ๆกันแล้วกันเนาะธรรมชาติเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดนะก็แปลว่าอะไรธรรมชาติที่เกิดคือเป็นสิ่งที่ที่มีที่ปรากฏขึ้นเนาะให้รับรู้ให้สัมผัส ได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจจะมองเห็นหรือรับรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรเพราะมันไม่ปรากฏอะไรเลยซึ่งมันตรงข้ามกับธรรมชาติที่เกิดเพราะนั้นธรรมชาติหลักๆมันก็มีสองสิ่งแค่นี้แหละแต่ทีนี้ว่าไอ้ธรรมชาติที่เกิดแล้วเนี่ยโอเคหลวงพ่อก็คุยพยายามให้รู้จักว่าอะไรธรรมชาติที่เกิดแล้ว ก็คืออย่างเช่นที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเนาะตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วเนาะแต่ก่อนเนี้ยธรรมชาติที่เกิดแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะก็ยังไม่มียังไม่ปรากฏแล้วตอนนี้เป็นที่ปรากฏเรียกว่าเกิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวเราเนี่ยที่เกิดแล้วจะต้องตายดับไปนะงนั้นธรรมชาติ ฝ, าฝ่ายเกิดเนี่ยถ้ามีการเกิดแล้วจะต้องดับ นะจะต้องมีแล้วจะต้องหมดไปแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดเพราะไม่เกิดมาตั้งแต่แรกจึงไม่มีการดับอ่าทีนี้พอหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยมันก็หมายความว่าเอาละเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะที่เกิดขึ้นในร่างกายอาจจะเป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็หมดไปแล้วมันดับไปแล้วเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เคยปวดเมื่อวานเคย ปวดเคยป่วยเคยไข้เมื่อหลายปีก่อนพวกนั้นเคยเกิดแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วคือดับไปแล้วแต่มันก็อาจจะเกิดใหม่อาจจะเกิดในขณะปัจจุบันนี้หรืออาจจะเกิดในอนาคตแต่ไม่ว่าจะเกิดในขณะไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วจะต้องดับไปหมดไม่มีเหลือจะต้องดับไปทุกครั้งไปเหมือนกับว่าเกิดเท่าไหร่ก็ดับหมดไปเท่านั้นส่วนธรรมชาติที่ไม่เกิด ก็เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับนะมันก็เป็นอยู่ทรงสภาพแบบแปลว่าเป็นอยู่อย่างนั้นนิรันการนิรันดอนนะเอ่อทีนี้พอมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เทียบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจบ้างนะเช่นความโกรธนะความโกรธก็เป็นสิ่งที่เคยอย่างประสบการณ์ก็เคยมีอยู่แล้วเคยโกรธมาเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อวานเมื่อเมื่อกี้อะไรเงี้ยนะเกิดแต่ถ้าเมื่อเกิดแล้วความโกรธก็ต้องดับไป ซึ่งเป็นสัจจกความจริงนะเพราะนั้นสิ่งความโกรธที่เคยเกิดในอดีตนะเคยเกิดเกิดในปัจจุบนันหรือที่จะเกิดในอนาคตอันนี้ก็ล้วนแต่ดับไปแ ต, แต่ความไม่โกรธแต่ความไม่เกิดอ่ะก็ไม่มีการดับไม่มีการหมดไปอ่าแล้วอารมณ์อื่นๆมันก็ลักษณะเช่นเดียวอย่างนี้หมดเลยอะไรก็ตามที่เกิดแล้วจะต้องหมดไป ทีนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแบบสองสองประเภทแบบนี้โดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องเรื่องอสิ่งต่างๆได้เพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่อารมณ์นะเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วหมดไปท่านจึงบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยไอ้ที่เกิดมานี่นะที่เกิดเป็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อมันหมดไปท่านบอกว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ แล้วก็มันเป็นธรรมะเขาเรียกเป็นธรรมะด้วยนะสิ่งที่เกิดดับเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติไงเป็นธรรมะท่านก็บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เราแต่ทีนี้ที่เราปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้มีปัญญาให้เข้าใจถูกต้องว่าทั้งธรรมชาติที่ไม่เกิดกับธรรมชาติที่เกิดที่ดับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นธรรมะชาติแล้วก็ไม่ okay. ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ออทีนี้วิธีก็การพ้นทุกข์ได้ก็คือเนี่ยเข้าใจถูกอย่างนี้ว่าอ๋อไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติเกิดดับกับมีแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ไม่มีเราถ้ามีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งจริ ง, รงๆว่าไม่มีเราตรงเนี้ยมันก็ทำให้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้นะเพราะไอ้ตัวที่ทุกข์จริงๆก็คือตัวที่เกิดที่ดับนั่นแหละนะไอ้ตัวที่ทุกข์จริงๆก็คือไอ้สิ่งธรรมชาติที่เกิดที่ดับนี่แหละ นะไม่เกินไปจากนี้ความป่วยความเจ็บอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับมันก็มีทุกข์ในตัวของมันเองแต่ไม่มีเรานะมันมีแต่ไอตัวนั้นไอตัวที่เกิดที่ดับแต่ไม่มีเราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเราก็เราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะเราไม่มีมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับนั่นแหละคือมันเป็นตัวทุกข์เสียเองถ้าเข้าใจแบบนี้ก็จะเกิดมาในชาตินี้เรียกว่าพ้นทุกข์ไปเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจแน่นอน ไปยึดถือสิ่งที่เกิดที่ดับว่าเป็นเราไปยึดถือเช่นไปยึดถือความป่วยไปยึดถือความเจ็บว่าเป็นเราแน่นอนนั่นเท่ากับว่าเราป่วยนั่นเราเจ็บแต่ถ้าไม่ยึดก็ได้แต่เข้าใจได้รู้ได้ว่าอันนั้นแหละมันมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นเช่นนั้นเองทีนี้หลวงพ่อเขาพูดต่ออีกนิดหนึ่งก็คือว่าไอธรรมชาติที่ไม่เกิดนะั่นนะธรรมชาติเนี้ย มันไม่ปรากฏอะไรอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วแต่มีความรู้ธรรมชาติเนี้ยมีความรู้นะไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดไม่ดับแล้วมันไม่รู้อะไรมันมีความรู้มันมีความรู้อะไรก็มีความรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับไปนะแล้วมันรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดดับอะไม่ใช่ธรรมชาติรู้ต้องมีความให้ดีเนาะธรรมชาติที่ไม่เกิดมันมันมีความรู้ เมื่อมีความรู้มันจึงรู้แจ้งรู้แจ้งต่อสิ่งที่เกิดต่อสิ่งที่ดับนะมันรู้แจ้งว่าสิ่งที่เกิดที่ดับอ่ะไม่ใช่รู้เออเพราะธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนาะมันมีคุณนะสมบัติคือมันรู้แจ้งมันจึงรู้จักตัวมันดีว่ามัน่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้ทุกสรรพสิ่งนะรอบรู้รู้แจ้งรู้รู้ไม่อะไรเกิดขึ้น รู้หมดแต่ไอธรรมชาติรู้นี่แหละมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับด้วยเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยอรู้แจ้งเขาเรียกว่ารู้แจ้งต่อสังขารแล้วก็ไม่ได้ยึดถือเนาะมันก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งที่เกิดที่ดับเพราะมันรู้จักตัวมันเองเป็นอย่างดีหลวงพ่ออุปมาสักนิดหนึ่งเหมือนกับอันนี้อุปมาเลยนะว่าเช่นถ้าเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่า นอกจากนี้แล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา<ม>เช่นเราไปอยู่ในสถานที่มีคนเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 10, 000, เป็นล้านก็ตามเมื่อเมื่อรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่พ้นจากตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันจะไม่หลงมาเลยว่าไอ้คนอื่นๆตั้งเยอะตั้งเยะมันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันรู้จักตัวเองมันรู้จักตัวตัวมันดีเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเนี่ยมันก็รู้จักตัวมันดีว่ามันน่ะ มันไม่เป็นอะไรไอ้ส่วนที่เกิดดับเกิดดับอ่ะก็ไม่ใช่มันนะมันก็เลยพ้นไปจากสิ่งที่เกิดดับการพ้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพ้นไปพ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแจ้งอยู่ว่าทุกอย่างไม่ใช่มันมันก็เลยไม่ต้องทุกข์ที่มันไม่ต้องทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรที่ให้ทุกข์มันได้แต่รู้อยู่หลวงพ่อพูดแบบนี้ไม่รู้ตามทันไหม เจ้าค่ะเจ้าเอกเอกอาตามพยายามตามาหมายของว่าอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ฟังหลวงพ่อแล้วก็ก็คิดตามก็เข้าใจค่ะคือทุกๆวันนี้นะคะคือเหมือนกับว่าเอกก็คือจะรู้รู้รู้ตัวเองคือแบบคือจะพูดยังไงอ่ะอธิบายเป็นคำไหมคือจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดดับอย่างที่ที่หลวงพ่อได้ได้ไม่ตาอธิบายมากเมื่อกี้แล้วก็เหมือนกับจะไม่ยึดคือ คือจะอยู่กับสติอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะปัจจุบันขณะคือจะไม่ค่อยคิดถึงอดีตไม่ได้ค่อยได้คิดถึงอนาคตแล้วอะเจ้าค่ะ mm hmm. คือคือโฟกัสกับกับความรู้สึกนะปัจจุบันแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่ที่เข้ามาแล้วมันก็เหมือนกับดับไปเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วก็ก็อยู่กับสติตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ ก็ประมาณอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ทุกๆวันนี้ก็จะค่อนข้างไม่มีอารมณ์ที่แบบโกรธหรือว่าเสียใจหรือว่าอะไรส่วนใหญ่จะจะเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบนี้แล้วสักพักก็จะตัดมันออกไปได้เจ้าคะ่ะคือเหมือนกับว่าก็ปล่อยปล่อยไปเพราะว่าในอารมณ์ในในหนในวันหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับมันก็จะมีหลากหลายหลายหลายอย่างหลายอารมณ์ณปัจจุบันขณะตรงหน้า แต่ว่าไอ้ก็ก็เหมือนกับพอรู้ตัวพอเข้าใจแล้วก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่าจ ะ, จะทำถูกไหมเจ้าค่ะ